บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยะแห่งปรมวิหารคือธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่ของกลุ่มหรือหลักใจของบุคคลทั่วๆไปนั่นในชั้นของกรรมฐานคือการสร้างความรู้สึกแผ่ไป ท่านแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกคือแผ่ไปโดยเจาะจงเริ่มจากจุดเล็กๆไปโดยลําดับท่านเรียกว่าพรหมวิหารแต่เมื่อใจิตใจมีความมั่นคงมีความเมตตากรุณามุติตาได้ตามสมควรแก่ฐานะของสัตว์ตอานั้นแล้วก็ตั้งใจแผ่ไปแก่สัตว์ไม่มีประมาณท่านเรียกว่าอัปปมัญญา ซึ่งโดยความหมายก็คือแผ่ไปแก่สัตว์ไม่มีประมาณนั่นเองปรมิหารข้อต่อไปคือกรุณาที่แปลว่าความสงสารต้องการจะช่วยเหลือบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ลักษณะของความกรุณาที่บังเกิดขึ้นคือการหวั่นใจเมื่อได้พบเห็นได้ยินได้ฟัง คนอื่นสัตว์อื่นประสบความทุกข์ตั้งจิตปราถนาที่จะเห็นคนในสัตว์เหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทำหน้าที่กระจัดโทสะคือความประทุษรายและวิหิงสาความบิดเบี้ยนออกไปจากจิตใจค่าศึกที่ใกล้จิตของจิตที่กรอบด้วยกรุณานั้น คือโสกะได้เกิดความสุขแต่ว่าค่าศึกห่างไกลซึ่งเป็นตัวจะต้องขจัดออกไปนั่นคือวิหิงสาความเบียดเบียนนี่เป็นลักษณะที่ท่านแสดงไว้ในหัวข้อของกรุณาพรมวิหารดังนั้นความกรุณาจึงปรารบสัตว์บุคคลที่ประสบความพิบัติเป็นลักษณะ เพราะว่าสมาบุก ค, คลอื่นสัตว์อื่นทั่วไปนั้นก็ใช้เมตตาดังที่ได้กราบมาแล้วแต่ความกรุณาที่บังเกิดขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับการมองโลกมองชีวิตของบุคคลนั้นๆว่าสามารถเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรในพื้นฐานทั่วๆไปเราก็มองเห็นในรูปของความทุกข์ เช่นคนเหล่านั้นประสบความพิบัติด้วยภัยอันตรายต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บการกระทําของตนเองและปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นต้นเราก็ถือว่าบุคคลเหล่านั้นกําลังประสบความทุกข์ในชั้นของจิตใจก็คือการสร้างความรู้สึกแผ่ไปที่จะเห็นบุคคลเหล่านั้นหลุดรอดจากความทุกข์ที่กําลังประสบอยู่ แต่ว่าในชั้นที่พระนีคขึ้นไปกว่านั้นเราอาจจะมองบุคคลที่กำลังประพฤติหลงทางในการดําเนินชีวิตเช่นตกอยู่ในหลุมอบายยมุกว่ากำลังประสบความทุกข์ก็ตั้งความปรารถนาที่จะเห็นคนสัตว์เหล่านั้นหลุดพ้นจากอบายยมุกที่กำลังประพฤติอยู่กำลังกระทําอยู่ และความรู้สึกเหล่านี้ก็จะกระจายเรื่อยไปมีความเข้มข้นสูงขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งนั้นจะมองเห็นชีวิตทุกชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในข่วงของความทุกข์ทั้งนั้นคือความทุกข์โดยสภาพที่สวดการว่าชาติปีนุขาคือชาติความเกิดเป็นทุกข์เป็นต้น ตลอดถึงความทุกข์ที่ต้องติดอยู่ในกรงคือสังสารวัติดังนั้นท่านจึงแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีหลังจากได้ใช้ปัญญากำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากจิตแล้วพระไทยของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอรหันต์ต่อแต่นั้นจะกอบด้วยความกรุณาอันเปี่ยมลน้น ในสัตว์ประสาททั้งหลายต้องการที่จะช่วยสัตว์เหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในชั้นนั้นๆจนถึงความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่ได้ศึกษาแล้วก็พบเรื่องราวนั้นๆมาการแผ่กรุณาพรหมิหารออกไปนั้นก็คือการปรารบสัตว์คนที่กำลังประสบความิบัต์ดังกล่าวแล้ว ต้องการที่จะให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ว่าการแผ่ไปนั้นท่านบอกว่าในชั้นเริ่มต้นถ้าหากว่าไม่มีคนสัตว์ปรากฏแก่สายตาหรือปรากฏแก่หูของตนว่ากำลังประสบความทุกข์อยู่ก็ให้แผ่ไปแม้แก่สัตว์ซึ่งกำลังประสบความทุกข์ในการพายหน้า สมมติว่ามีคนสัตว์ที่กำลังประสบความทุกข์อยู่ในตอนแรกท่านก็ให้สร้างความรู้สึกที่จะเห็นปีเชชนคือคนที่เรารักหลุดพ้นจากความทุกข์ในตอนต่อไปก็กระจายความรู้สึกออกไปให้เห็นคนที่เราเป็นกลางๆหลุดพ้นจากความทุกข์และต่อแต่นั้นแม้แต่คนที่เป็นศัตรูผู้เวีภนยกัน ซึ่งกำลังประสบความิบัต์อยู่ก็ขอให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทำไมจึงต้องแบ่งขั้นตอนเช่นนี้ทั้งนี้เป็นเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะต้องการให้นิ่งๆจะไปต้องการให้คนซึ่งเป็นกลางๆหลุดพ้นจากความทุกข์กรุณามีกาลังไม่มากพอที่จะใช้ไปในการนี้บางครั้งอาจจะออกมาในรูปของการซ้ำเติม หรือความรู้สึกเบียดเบียนก็ได้แต่ถ้าหากว่าจะไปต้องการให้คนที่เราไม่ชอบหลุดพ้นจากความทุกข์ข้อนี้ยิง่งปลาใหญ่เพราะจะคุมใจไว้ไม่ได้เนื่องจากความรู้สึกที่เป็นเนื้อแท้ของใจนั้นคือไม่ชอบมีความอาฆาตพยาบาทต่อบุคคล น, นั้นเป็นต้นถ้าอยู่ๆจะไปแผ่กรุณาให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทาได้ยาก เพราะอะไรเพราะว่าจิตจะตกไปที่วิหิงสาหรือความเบียดเบียนหรือต้องการซ้ําเติมให้เขาหนักยิ่งขึ้นเพื่อจะโสมนหน้าเขาเป็นต้นท่านจึงเริ่มมาที่กรุณาต่อปียชนคือคนที่เรารักเพราะคนที่เรารักนั้นเรามีพื้นกรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นสูงอยู่แล้วเวลาเขาประสบความบัดก็ใช้กรุณาออกไปได้ง่าย ไม่ใช่ไปแล้วจิตใจมีความเข้มแข็งขึ้นแม่คนที่เป็นกลางเราก็มองเห็นความทุกข์เขาได้ปรารถนาที่จะให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พอกรุณาสูงขึ้นไปกว่านั้นก็สามารถจะใช้ได้แม้แก่คนที่เป็นศัตรูซึ่งลักษณะเหล่านี้ดังที่เคยยกตัวอย่างพระทายของพระพุทธเจ้าที่พระเทวทัต ซึ่งเป็นคนปฏิบัติการจองเวรกับพระพุทธเจ้าเป็นนั้นมากได้สแสดงแก่ลูกศิษย์ของท่านเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระไทยเสมอกันหมดในศาสตร์ทั้งหลายคือทั้งที่เป็นช้างธนาบานทั้งนายขมังชนูทั้งโจรองค์กีมานทั้งพระเทวทัต์และพระราหุลซึ่งหมายความว่าพระไทยของพระองค์ไม่มีการจำแนก แยกแยะเช่นนั้นแต่จะมองเห็นในแง่ของคนซึ่งกาลังประสบความทุกข์ที่พระองค์จะต้องช่วยเหลือทั้งหมดซึ่งนี่ก็คือเป็นคุณภาพของกรุณาที่แท้จริงแต่ว่าการแผ่กรุณานั้นท่านบอกว่าให้ระวังศัตรูที่ใกล้ชิดคือโศกะได้แก่ความโศกเ่องตามปกติแล้วเวลาเห็นคนอื่นประสบความพิบัติ โดยเฉพาะคือคนที่เรารักแทนที่จะเป็นกรุณามักจะกลายเป็นโศกคือความโศกเห็นเขาร้องไห้ก็ร้องไห้ตามไปเห็นเขาโศกก็เขาโศกตามไปโศกะจึงเป็นค่าคาสึกที่ใกล้ชิดซึงแยกไม่ค่อยออกว่าเป็นกรุณาหรือเป็นโศกะแต่ในชั้นของการปฏิบัตินั้นพึงเห็นว่ามันก็แบ่งเป็นสองชั้น คือชันของจิตวิทยาสามัญธรรมดาตัวทั่วไปมันก็ต้องอาศัยนัยะของหน้าที่กัลยาณมิตรที่ทรงแสดงไว้ว่ามิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขกันซึ่งหมายความว่าทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันเวลาเขาประสบความพาทุกข์เขาเศร้าโศกเราก็ต้องแสดงความเศร้าโศกกับเขาด้วยเพื่อมีความรู้สึก อบอุ่นใจสบายใจแก่บุคคลผู้นั้นแล้วเขารู้สึกว่าเราเป็นมิตรสนิทสนองกับเขาและในช่วงนั้นเองเมื่อเขาเกิดความรู้สึกยอมรับว่าเราเป็นกัญยาณมิตรแล้วจะสอดแทรกความคิดเห็นอะไรลงไปเพื่อผ่อนคลายความโศกที่เขากําลังประสบอยู่ก็ย่อมจะทําได้แต่นี่คือชั้นของการปฏิบัติหน้าที่ เป็นลักษณะเชิงจิตวิทยาโดยการสร้างความรู้สึกเป็นมิตรให้เกิดขึ้นต่อกันเลยกันเสียก่อนในลักษณะที่ทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันแต่ในชั้นของการแผ่ไปแล้วมันเป็นเรื่องของจิตใจไม่ได้แสดงออกมาทางกายกรรมและวิจิกรรมถ้าหากว่าบุคคลปล่อยให้ความโศกเข้าท่วมทับใจกรุณาก็เกิดขึ้นไม่ได้ จิตใจก็จะเหียวแข่งจมจอมไปด้วยประการต่างๆแล้ในที่สุดก็จะถูกลูกสอนคือความโศกเสียเอาไว้ความโศกนั้นเนื่องจากแกมีเชื้ออยู่มากแล้วภายในใจของคนเวลาได้ปัจจัยภายนอกมาเพิ่มเข้าวก็พร้อมที่จะโศกเศร้าเสียใจได้เป็นเวลานานๆบางครั้งก็ตั้งหลายวัน แม้การเวลาจะผ่านไปแล้วความโศกนั้นก็เกิดขึ้นมาได้เป็นระยะระยะดังนั้นท่านจึงสอนให้รู้จักข้าศึกที่ใกล้ชิดตัวนี้เอาไว้เพื่อรมัดระวังใจไม่ให้เศร้าโศกแต่ว่าสำนวนทางศาสนานั้นท่านมีคำอยู่คำหนึ่งเรียกว่าธรรมสังเวทซึ่งหมายความว่าเป็นการรู้สึกยอมรับ ถึงความจริงแห่งธรรมชาติจิตก็จะไม่ตกเข้าไปสู่ความเศร้าโศกเหล่านั้นลนักษณะของธรรมสังเวทนั้นหมายความว่าเป็นการมองเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเช่นว่าเวลามีการประสบภัพยพิบัติความเดือดร้อนอันตรายต่างๆในใจตนเองก็พร้อมที่จะ สร้างความกรุณาให้บังเกิดขึ้นแพ่ไปเพื่อเห็นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์เหนนั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ทั้งหมดเมื่อเป็นไปไม่ได้ก็เกิดธรรมสังเวชคือมองเห็นความจริงแห่งชีวิตแล้วก็ปรับจิตเข้าอยู่ด้วยอุเบกขาคือพิจารณาเห็นกฎของกรรมค่าศึกที่กรุณาจะพึงกระจัดออกไปได้ ก็คือวิหิงสาความเบียดเบียนซึ่งตามปกติแล้วกิเลสตัวนี้มีอยู่ภายในใจคนมากและแกมักจะแสดงตัวออกมาเสมอในรูปของการอยากเห็นอยากฟังอยากดูอยากเข้าไปร่วมในกิจกรรมที่เกิดการเบียดเบียนกันเพราะฉะนั้นเวลาภาัยอันตรายบางเกิดขึ้นคนจะสนใจสูงกว่า กิจกรรมที่เป็นกุศลนั่นก็คือแรงกระตุ้นของวิหิงสาที่สงบอยู่ภายในใจพร้อมที่จะรับเชื้อบวกมาจากภายนอกพอแกได้เชือ้อแกก็แสดงตัวออกมาในกรณีนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมาจะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมและพฤติกรรมเป็นนันมากในสังคมนี้ซึ่งมีลักษณะพยายามสร้างเงื่อนไขขึ้นให้สังคมยอมรับว่าเป็นความถูกต้องเป็นความดีงาม แค่จริงแล้วในแง่ของธรรมะคือเป็นการสนองต่อบผู้หญิงสาที่มีอยู่ภายในใจข้างต้นเท่านั้นเองคือความรู้สึกต้องการเห็นการเบียดเบียนการต่อสู้การทําลายล้างซึ่งกันและกันอย่างพวกเกมกีฬาต่างๆซึ่งมีลักษณะที่รุนแรงมีการต่อสู้มีการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเป็นตน้นซึ่งในชั้นของธรรมะแล้ว เป็นการกระทำไปด้วยอำนาจของของอากุศลทั้งหมดกรุณาจิตที่แผ่ไปนั้นเมื่อมีกำลังแก่ก้าขึ้นก็จะทําหน้าที่ขยจัดวิงสาออกไปจากใจได้ในชั้นหนึ่งนั้นบุคคลจะได้ประสบอาณิสรงเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในเมตตาเพราะเมตตากับกรุณานั้นเป็นธรรมะที่เนื่องถึงกัน และเรามากักจะพูดติดต่อกันด้วยครับเช่นว่าเมตตากรุณาหรือกรุณาปราณีเป็นต้นอั น, นี้สงเหล่านั้นก็คือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอนมนุษย์เทวดายอมรักษาบรรดาภาัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นจากสตรายาพิษไฟไหม้เป็นต้นไม่สามารถทาอันตรายได้จิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็ว ไม่หลงตายและตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุคติหรือพรหมโลกตามสมควรแก่ขั้นของกรุณาที่ตนปฏิบัติได้คือถ้าเป็นกรุณาทั่วไปแสดงออกมาในรูปของการสงเคราะห์อนุเคราะห์เป็นลักษณะของบุญญาติกริยาก็จะทําทให้บุคคลบังเกิดในสุคติแต่ถ้าหากว่าเป็นกรุณาที่ดําเนินขึ้นไปตามลําดับจนเป็นสมาธิ คือจิตสงบโศกะคือความโศกสงบความเบียดเบียนได้ด้วยแรงแห่งการุณาแล้วความสงบก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจทำให้จิตใจของบุคคลตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เดินไปโดยลำดับดังที่เคยกล่าวในข้อก่อนๆแต่หากว่าตายไปในขณะที่ฌานเหล่านั้นยังไม่เสือ่อมก็จะอุบัติบังเกิดในพรหมโลก รุณาพรหมิหารจึงเป็นกรรมฐานที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความส ง, งบจนถึงจะตุติฌานเช่นเดียวกับเมตตาประการต่อไปคือมุจิตาที่แปลว่าความเพลิดเพลินหรือความพรอยินดีเมื่อคนอื่นเขาได้ดีลักษณะของมุติตานั้นมีค่าศึกที่ใกล้ชิดอยู่ประการหนึ่งคือการต้องการมีส่วนร่วม และคั้นสึกที่ห่างไกลซึ่งมุติตาจิตจะต้องขจัดไปก็คือริษยาลักษณะของความมุติตาก็คือการพรอยินดีในก ร, นกรณีที่คนอื่นสัตว์อื่นเขาได้ดีเป็นการใช้ธรรมะคนละช่วงคนละจังหวะคนละเหตุการณ์กันเมตานั้นแผ่ไปในสัตว์ทั่วไปกรุณาแผ่ไปแก่สัตว์ที่กำลังประสบทุกข์ มุติตานั้นแพ่ไปเฉพาะในกรณีที่สัตว์ซึ่งมีประสบความสุขความเจริญเท่านั้นแต่ว่าในการปฏิบัติทั่วๆไปนั้นพึงเข้าใจว่าเป็นพรหมวิหารคือเป็นหลักคุ้มครองใจที่บุคคลจะต้องเคลื่อนไหวให้เหมาะให้ควรแก่บุคคลเหล่านั้นแก่สถานาการณ์เหล่านั้นจะในชั้นของมุติตาพรหมวิหาร ทรงใช้คำเช่นเดียวกับพี่แสดงในเมตตาคือทรงใช้คำว่าจิตที่ประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปในทิศทั้งหลายซึ่งก็หมายความว่าการสร้างความรู้สึกพลอยชื่นชมยินดีในการได้ดีของบุคคลอื่นเป็นการแผ่ไปในลักษณะที่เจาะจงก่อนและต่อไปก็ไม่เจาะจง ต่อไปก็ขยายไปในทิศนั้นพวกบุคคลที่ควรแกการมุทิตาก็เริ่มตายอันดับเช่นเดียวกับเมตตาและกรุณาคือมุทิตาแต่ต่อคนซึ่งเป็นทิรักของตนต่อคนที่เป็นกลางกลางและต่อคนที่เป็นจัตโตซึ่งก็หมายความว่าในกรณีที่เป็นเปียชนคนทิรักนั้น อาศัยเชื้อความรักความผูกพันกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็พร้อมที่จะเห็นความเจริญเติบโตก้าวหน้าของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีที่บุคคล น, นั้นประสบความเจริญก้าวหน้าโอกาสที่จะใช้มุติตาขึ้นก็ใช้ได้ง่ายแล้วเมื่อมีกำลังแก่กล้าขึ้นจะแผ่ไปแม้แก่คนที่กลางๆ ก, ก็ทําได้แล้วทํามุติตาสูงขึ้นไป ก็จะแพ้ได้แม้แต่คนที่เป็นศัตรูดังกล่าวแต่ค่าศึกที่ควรระมัดระวังนั้นก็คือความรู้สึกต้องการมีส่วนร่วมในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลผู้นั้นข้อนี้บางครั้งอาจจะเป็นเพียงความรู้สึกบางครั้งก็แสดงออกมานอกหน้าข้อนี้พึงดูตัวอย่างที่ สามารถสัมผัสได้ด้วยสายตาแล้วจะมองเห็นได้ชัดว่ามุติตามีค่าสืกใกล้ชิดคือการต้องการมีส่วนร่วมในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลผู้นั้นเช่นว่าเพื่อนฝูง <c oughs> ในลาผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาก็ไปแสดงมุติตากับเขาโดยต้องการให้เพื่อนเขาเลี้ยงใจนั้นหวังจะเห็นเขาเลี้ยง แต่ถ้าหากว่าเขาไม่เลี้ยงก็กลายเป็นโทสะจึงจะเห็นได้ว่าลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอาการของเมตตาของมุติตาแต่เป็นความรู้สึกต้องการผลประโยชน์จากความเจริญก้าวหน้าของบุคคลผู้นั้นหรือแม้แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีความเจริญก้าวหน้าเราไปแสดงมุติตากับเขาโดยตั้งความหวังว่าท่านคงจะมีของขวัญอะไรแจก หรท่านคงจะเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เราในปีหน้าเป็นต้นตายก็ไม่ได้ของขวัญไม่ได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือนก็จะเกิดเป็นโทสะขึ้นมาตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังในด้านแผ่มุติตาเพราะถ้าหากว่าข้ามด่านความรู้สึกต้องการมีผลร่วมมีส่วนร่วมไม่ได้มุติตาก็จะมีกําลังอ่อน ไม่สามารถจะขจัดปฏิปักษธรรมคือธรรมะตรงกันข้ามกับตนที่เป็นค่าศึกหลักคืออิจารริษยาออกไปได้ความรู้สึกอิจาราริษยานั้นเพิ่งเห็นว่ามันเกิดขึ้นเพราะเราต้องการที่จะได้ผลประโยชน์เหล่านั้นเสียเองแต่เมื่อคนอื่นเขาไม่ได้ผลประโยชน์นั้นเราไม่ได้เราก็เกิดริษยา ดังนั้นลักษณะความรู้สึกต้องการมีส่วนร่วมมันก็คืออาการของริษยาที่จางลงมาทันนั้นเนื่องจากเห็นว่าตนจะได้เช่นนั้นก็คงจะไม่มีวาสนามีกำลังพอจึงต้องการจะมีส่วนแบ่งจากความเจริญก้าวหน้าของบุคคลนั่นลักษณะของมุทิตาที่แผ่ไปจึงเป็นอาการเพลิดเพลินพรอยยินดีต่อความเจริญก้าวหน้าของบุคคลนั้นนั้น เพื่อให้สังเกตง่ายพระโบราณอาจารย์จึงอุปมาหรือสอนโดยอุปมาให้ดูสภาพจิตว่านในขณะนั้นตนมีเมตตากรุณามุทิตาอยู่หรือไม่โดยท่านสอนให้ดูที่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่ทราวบว่ามีเด็กเกิดขึ้นในคัน ทั้งพ่อทั้งแม่จะมีความเมตตาปราถนาดีที่จะเห็นลูกมีความมาเกิดมาโดยสวัสดีรูปร่างดีสติปัญญาดีทุกอย่างก็ต้องการดีทั้งนั้นถ้าลูกเกิดมาสมตามที่ท่านต้องการท่านก็มีมุทิตาที่ชื่นชมยินดีในความดีงามของลูกเ่านั้นแต่ถ้าหากว่าลูกเกิดมาพิกลพิการไปด้วยประการต่าง แทนที่ท่านจะเศร้าโศกเสียใจท่านจะกลายเป็นกรรุณาคือสงสารเด็กเหล่านั้นจะให้การประครบประ ง, งมออยใจใส่โดยความเอื้อเฟือ้อโดยความเอื้ออารทนเป็นพิเศษดังนั้นในกรณีเหล่านี้การปฏิบัติธรรมะทั้งสามข้อนี้ท่านจึงอุปมาแม้ในช่วงอื่นเช่น ว, ว่าในคราวที่ลูกเจ็บไขยได้ป่วยคราวที่ลูกหกล้ม คราวที่ลูกประสบอันตรายพ่อแม่ก็จะเกิดกรุณาช่วยเหลือต้องการที่จะช่วยเหลือให้ลูกหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเวลาลูกหายป่วยเวลาลูกเดินได้หรือลูกสอบไล่ได้ได้ทำงานมีหลักมีฐานตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานท่านก็กอบด้วยมุติตาคือความเพลิดเพลินยินดีดังนั้นเวลาปฏิบัติพรหมหารก็ต้องนึกตัวอย่างเข้ามาเทียบเคียง จากเรื่องที่กล่าวมาแล้วและความรู้สึกในชั้นนี้ก็เป็นพื้นจิตที่คนทั่วไปก็มีอยู่แล้วเป็นได้เพียงสามารถกระจายออกไปได้แต่ก็เป็นกระจายออกไปโดยลําดับไม่ใช่มีลักษณะที่เร่งด่วนอะไรคือเริ่มไปเจาะจงกลุ่มคนใดคนหนึ่งแล้วต่อไปก็ขยายไปกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อจากนั้นก็ขยายไปในทิศใดทิศหนึ่ง แล้วจึงขยายไปในลักษณะที่เรียกว่าสัพเพสตาอย่างที่สุดกันดังนั้นลักษณะความรู้สึกที่ประกอบด้วยพรหมีหารจึงมีอยู่ทั้งในชั้นการปฏิบัติทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจและมีอยู่ในชั้นของการปฏิบัติที่เป็นสมถกรรมฐานเมื่อใครสามารถปฏิบัติได้เมตตาจะทําหน้าที่สงบ ความอาฆาตพยาบาทและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสงบราคะกรุณาก็จะทำหน้าที่สงบโศกะและสงบความ เ, เปลี่ยนมุติตาก็จะทาหน้าที่สงบการทำอะไรอยากมีส่วนร่วมคือผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นและความอิจฉาริษยาให้ออกไปจากจิตใจผลจากการสงบกิเลส ที่เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมะเหล่านี้ย่อมกอ่อให้เกิดอานิสังสมผลโดยนิยัตที่ได้กล่าวมาแล้วถึง1 1ประการและจะเป็นปฏิปทาที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ดำเนินไปในชั้นของสมาธิและในชั้นของฌานตามลำดับซึ่งผลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้น ต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบตอบ